ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะสัมสชนีน้าคงนะคะกับรายการสัมปนีสนทนาเรามากันอีกแล้วเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสนะคะฟังการสนทนาธรรมที่เชื่อแน่ว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจธรรมะนาเอาไปใช้กันได้ในทุกๆวันที่พระมหาภัยบูร์อภิปุลโนได้เมตตาให้ความรู้กับพวกเราทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว แห่งนี้นะคะเราไปกราบนวัส ก, การท่านพร้อมๆกันค่ะนวัส ก, การครัท่านคะยมพันค่ะก็เป็นวันที่ได้เรียนท่านฟังเอาไว้นะคะว่าจะกราบเรียนถามท่านถึงเรื่องของความสุขในสมาธิเพราะเมื่อวานนี้ก็มีการพูดกันถึงเรื่องปฐมฌานใช่ไหมคะใช่แล้วท่านก็ได้พูดถึงความสุขด้วยอ่าก็คงจะต้อง ต้องเริ่มต้นจากตรงปฐมฌานก่อนดีไหมคะใช่ใช่ตงตรงถึงจุดการปฏิบัติของคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องของศีลใช่ไหมค่ะศีลคุณทําไปทําไปก็ดีละอันนี้คือการดํารงชีวิตในเรื่องของการละมัจาทีนี้พอจิตใจเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของการทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวนี่ยก็คือคเรื่องของสมาธิทีนี้ที่มกักจะพูดกันเสมอๆที่มาอยากจะแบเปิดประเด็นในที่นี้ก็คือว่าหลายคนเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่แล้วก็จะบอกว่าโอ้ดีจังเลยฉันได้ สมาธิแหมมีความสุขมากเลยมาพูดกันเล่าให้คนอืนฟังแตนะ <c oughs> ที่มีดีอย่างนั้นอย่างนี้ดีก็คือหมายกับว่าฉันนั่งและส ง, งบแตนะ่ฉันได้ความสุขจากสมาธิแต่พูดในลักษณะนี้ <c oughs> ซึ่งเราไมา่ต้องการจะบอกอธิบายให้ทราบว่าจริงๆแล้วถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราได้สุขเวทนาเนี่ยแล้วเรายินดีในความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันผิด <c oughs> มันมันไม่ถูกแตนะ่ที่ว่าผิดไม่ถูกเนี่ยเพราะว่าความสุขเนี่ย ถ้าเราดูตัวของความสุขนะความสุขเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของเวทนาถูกไหมเป็นเป็นความรู้สึกอ่ะพูด ง, ง่ายๆเรามีความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกเนี่ยคือเวทนาเนี่ยถ้าจะดูตัวลักษณะของมันนะคือเนเจอร์คือลักษณะของมันเนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่ในขันทั้งห้าขันทั้งห้านะขันทั้งห้าเป็นอะไรขันทั้งห้าเป็นทุกนะขันทั้งห้าเป็นตัวทุกถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราเพื่อจะเอาเวทนาเนี่ย คุณคุนนั่งสมาธิผิดจุดประสงค์เอามหมนะคือถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราคิดว่าเราจะได้ความสุขเนี่ยสุขก็ไทนาน ะ, ค, ะคุณผิดจุดประสงค์โอเคนะค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปวัดนั่งสมาธิหลีกเล่นโอฉันเพื่อที่จะเอาความสุขสุขจังเลยผิดจุดประสงค์มันไม่ถูกทำไมไม่ถูกพระเจ้าเปรตที่อยู่อย่างนี้คุณโยมติ๋วบอกว่าเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลามาอย่างแรงเลยริ้วๆเลยนะ แล้วก็ริมสองฝั่งแม่น้ําเนี่ยมีหญ้าแล้วก็ต้นไม้มันก็งอกกิ่งงอกใบต่างๆ ม, มาปกคลุมถูกป่ะในขณะนั้นก็มีคนที่ไหลมาตามน้ำเนี่ยไหลวุ่นวุ่นมาตามน้นํานโอ้ตายแล้วทำไงทำไงดีถ้าตกไปตรงนู้นมันจะเป็นเอ่อเป็นเหวเขาเรียกว่าอะไรเป็นน้ําตกน ะ, ะแล้วก็มีน้นําวนตายแน่นอนก็เลยพยายามที่จะจับช่วยกิ่งไม้คางๆเนี่ยมันจับไปจับใบหญ้าบ้างจับใบไม้พักอะไรต่างๆนะในขณะที่เขาจับไปเนี่ยปุ๊บเนี่ย ด้วยความแรงของกระแสน้ําเนี่ยแม้ขี้ว่าหวังว่าแม่ชันจะต้องขึ้นได้แน่นอนณจับปุ๊บแต่ด้วยความแรงของกระแสน้ําใบไม้กิ่งไม้พวกนั้นก็หลุดขาดคามื่อทันทีคนที่เป็นแบบนี้เขาจะเสียใจมากเฮ้ยมันได้แล้วทําไมมันหลุดไปเขาจะมีความคิดอย่างนี้นะค่ะอันนี้เป็นอุปมามาโปรใหม่ที่บุรุช า, าเปรียบเทียบกับว่าตัวเราเนี่ยก็คือคนที่กําลังลอยตามแม่น้ํำมาแล้วกระแสความแรงของน้ำเนี่ยคือตันหาที่กําลังพัดวุ่นวุ่นไปอยู่ ไอ้สิ่งที่มันง อ, ย, อย้อยงอกมาปกลากลุ่มริมฝั่งจากริมฝั่งแม่น้ําเนี่ยก็คือขันตัณหาหนึ่งในนั้นคืออะไรคือเวทนาค่ะถ้าสมมติว่าเราขณะที่เรากําลังอยู่ในกระแสของตัณหากิเลตตัณหามันกําลังวุ่นๆ่นอยู่เนี่ยนะถ้าเราคิดว่าเราจะเอาเวทนาเป็นที่พึง่งเราจะจับเวทนาเนี้เพื่อให้ได้เนี่ยคุณจะต้องเสียใจแน่นอนค่ะมันจึงไม่ถูกไงอคแล้วถามว่าในอุปมามาบุมาณนี้คุณควรจะต้องทอํายังไง ฟังไหนคุณดูให้ดีก่อนฝั่งไหนฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นเราจะไปนะเพราะฉะนั้นจะไปถึงฝั่งนู้นได้ให้ ว, ว่ายสิว่ายแบบว่ายน้ำนะค่ ะ, ะว่ายน้ําไม่ใช่ว่าไปจับใบไม้ที่มันเลื่อนลองมาเพราะนั้นจะพึ่งไม่ได้แต่ให้ว่ายใช้กําลังแนกนกําลังขาว่ายให้ถึงฝั่งเราต้องว่ายเพื่อจะให้ขึ้นถึงฝั่งไปให้ได้นี่เป็นอุปมารประมยการว่ายนะหมายถึงว่ายน้ำเนี่ยน ะ, ะก็คือเปรียบเหมือนกับการทําความเพียรของเรานะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือว่า ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราเกิดได้สุขเวทนาถ้าเกิดได้สุขเบทนาทํำยังไงอย่าไปเพลินอย่าไปยินดีอย่าไปกําหนัดอย่าไปมัวเมาอย่าไปรุ่มหลงอย่าไปพูดถึงสิ่งนั้นค่ะนะก็คือคนที่ถ้าเขายินดีเนี่ยเขาจะมีการพร่ําบ่นพูดถึงอันนี้เป็นคําที่เขาแปลมานะถ้าคุณถ้าคุณมีความยินดีในสุขเวทนานั้นเนี่ยคุณจะเอามาพูดต่อคุณจะพร่าบ่นพูดถึงว่าแม่ฉันได้ฉันไ ด, ฉนได้ฉันยินดีเหลือเกิน แตกแตกมันไม่ถูกคมันผิดทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันถ้าเราเอาตรงนั้นเนี่ยแล้ววันหลังเกิดไม่ได้เราจะทุกข์ใจเออเอาแค่ว่าคุณกลับมาจากมาจากวัดแ ล, ล้วกมาถึงบ้านอย่างเงี้ยแหมมันคนละเรื่องอ่ยนะอยู่วัดฉันก็ไม่ต้องยุ่งกับใครใช่ไหมหลีกเล่นสบายใจดีแล้วพอกลับมาถึงบ้านเดียเเด๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวข้อมูลทางไลน์โอ้มันวุ่นวายคุณจะเริ่มมีความทุกข์ล้ เราะจะสังเกตได้เลยถ้าผวัวเรามีความยินดีในความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินะแล้วเราไม่ได้โอเคว่ากลับมาบ้านยังไม่ได้มีเรื่องอะไรมันกังวลใจมากเนี่ยแค่ว่าเราไม่ได้ความสุขนั้นออกเนี่ยเราจะเริ่มแบบเคืองๆนิดหนึ่งคุณคะแต่ฉันก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอธิบายความรู้สึกต่างๆ ถ้ามีให้อธิบายอยู่แค่สองคำก็คือสุกก็ไม่สุกใช่ไหมคะอ่าโอเคและส่วนใหญ่ถ้าเป็นการไปปฏิบัติอย่างเนี้ยทุกคนคิดว่าแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าชีวิตประจำวันโอเคดังนั้นเมื่อได้พบอะไรที่ทำให้รู้สึกสบายมันแตกต่างนะค่ะแตกต่างไปในทางที่ดีกับตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะก็ไม่สามารถอธิบายด้วยคาอื่นได้ นอกจากคําว่าสุขเาา ด, ดี๋ยวฉันยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าสุขในการอธิบายของแต่ละคนจากการนั่งสมาธิเนี่ยไม่น่าจะเหมือนกันบทเพียัญชนะาจะแตกต่างกันใช่คื อ, ค, อคือไม่ใช่เรื่องบทพยัญชนะนะคะท่านคะบทพยัญชนะเนี่ยน่าจะอาจจะเหมือนกันเพราะว่าก็อย่างที่กล่าวเรียนท่านแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่จะอธิบายความรู้สึกที่ดีก็คือสุขกันสททั้นแททางนั้นโอเคแต่ว่าไม่มีใครรู้ของใครว่าไอ้ที่สุขที่ ดิด ไ, บบไหนสุขที่เพื่อนดิฉันสุขในการไปนั่งสมาธิอาจจะนั่งที่เดียวกันพร้อมๆกันระยะเวลาเท่าๆกันเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหรือไม่ความสุขนั้นลักษณะเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขในสมาธิเนี่ยที่ที่เขามักจะบอกว่าเป็นความสุขกันเนี่ยท่านก็เป็นขออภัยนะคะคือท่านสอนแล้วท่านก็ปฏิบัติด้วยเนี่ยท่านคิดว่า เขารู้สึกน่ะเป็นความรู้สึกเดียวกันไหมคะแต่ละคนสุขนั้นเหมือนกันหรือไม่และถ้าเหมือนแล้วเป็นสุขที่มีลักษณะอย่างไรเหรอคะเป็นสุขที่เกิดจากความสงบระงับอันนี้เป็นบทเปลี่ยนชนะของพระพุทธเจ้านะเป็นสุขที่เกิดจากความสงบระงับเป็นสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งเป็นสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมเป็นสุขที่เกิดจากการวางคือความเย็นเดี๋คือสมมุติเอาวางความยุ่งได้วางของหนักได้มันจะเบานะพอเบาแล้วมันก็จะเบาอ่ะมันเบามันก็สุขนะ เป็นความสุขที่เกิดจากความเบาไม่ได้เป็นความสุขที่เกิดจากการมีค่ะแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการวางตรงนี้คือความเย็นความเบาความสุขที่เกิดจากความสงบระงับพระพุทธเจ้าใช้คํานี้ก็น่าจะคล้ายๆกันอ๋อใช่ใช่ก็เหมือนกันแน่นอนเพราะไม่งั้นมันถ้าสุขทางตาทางหูคุณก็าหาข้างนอกได้กินอาหารอร่อยๆก็ก็ได้อยู่แล้วค่ะท่านฟังค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรากําลังจะพยายามมาทําความเข้าใจว่าสุขที่ท่านพิบูรณ์ว่าเนี่ยเหมือนกันไหมหรือว่าสุขนั้น ดิฉันเคยได้ยินคนพูดอย่างนี้นะคะอืออบอกว่าโหเคยนั่งสมาธินะจําได้เลยนะมันหลายปีมาแล้วจะคล้ายๆกับที่ท่านกล่าวเมื่อตอนต้นรายการะคะ่ะม ม, ม, มันได้สมาธิแต่ตั้งแต่นั้นถึงวันนี้เนี่ยท่านจะเดินไม่ไหวแล้วนะคะแปดสิกว่า <c oughs> ตอนที่ <c oughs> ดิฉันเจอไม่เคยได้อีกเลยตรงนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องเดียวกันนะว่าความสุขนี้เราไม่ได้พูดถึงความสุขทางตาทางหูแล้วนะเราพูดถึงความสุขที่เกิดจากสมาธิ Utan, สัมโพธ่สุขนะสัมโพี่สุดคือความสุขที่เกิดจากความรู้ยิง่งสัมโพธินะความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมนความสุขที่เกิดจากนิพพานนิพพานสุขนะความสุขที่เกิดจากการวางแหละ น, นี่ความสุขดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นความสุขที่พระพุทธาบอกว่าให้เสพให้มากให้เจริญให้มากให้ทําให้มากคะโอเคนะแต่อารมากําลังจะมาบอกที่นี้ว่าไอ้ที่ทําให้มากเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเอาเขานะไม่ใช่ว่าไปที่ต้องการได้ไม่ใช่ว่าไป อยากได้เขาไม่ใช่ไปเพลิดเพลินในนั้นไม่ใช่ว่าไปแบบเฝ้าบนพร่ำเพอพูดถึงอยู่เรื่อยไม่ใช่ <คะ S 1> แต่ที่ทำให้มากเนี่ยคือหมายถึงว่าให้เห็นข้อดีให้เห็นข้อเสียของเขา <คะ S 1> ที่ทำให้มากเนี่ยคือให้เจริญศีลสมาธิปัญญาให้มาก <คะ S 1> ทำศีลสมาธิปัญญาให้มากแล้ว <คะ S 1> มันจะเกิดผลเป็นอะไรเป็นความสุขแบบนี้ล่<ค>ะเป็นความสุขแบบนี้แล้วยังไงไม่ใช่ให้แอความสุขแบบนี้นะ แต่ให้ทําศีลสมาธิปัญญาทํำแล้วไงพอเกิดความสุขแบบนี้แล้วคุณทําบ่อยๆคุณทําบ่อยๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าเฮ้ข้อเสียมันก็มีนะค่ะพอเราเห็นโทษของมันเมื่อไหรปุ๊บเนี่ยเราจะวางเขาได้นี่คือประเด็ น, นคือประเด็นว่าเราจะทํายังไงให้เรามีความแจ่มแจ้งในความสุขแบบนี้ค่ะเอาแค่ว่าถ้าเรามีความสุขทางกายก่อนทางตาทางหูเนี่ยเราจะมองไม่เห็นว่าว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียย่งมันจะยากเพราะว่านั่นเป็นอกุศลธรรมจิตมันจะไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ได้ เอาใหม่เราทําจิตให้มันนิ่งๆอยู่ก่อนให้มันได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิดีไหมดีแต่ข้อเสียมีไหมคุณต้องทำํำบ่อยๆคุณจะเห็นข้อเสียของมันค่นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราบอกว่ า, า, วาให้ทําบ่อยนัก็คือไม่ใช่ว่าให้ไปอยากได้ตรงนั้นแต่ให้ทําความเพียรในการปฏิบัติเพราะถ้าสมมติเราไปที่ปฏิบัติธรรมสักที่ใดที่1ที่วัดหรือว่าที่บ้านเราก็ตามทําเนี่ยแทนที่เราจะบอกว่าโอ้ฉันได้ความสุขมากเหลือเกินโอ้คำนี้ไม่ได้ความสุขเลยไม่ควรจะพูดอย่างนั้น ควรจะพูดว่าฉันได้ทําศีลสมาธิปัญญาและฉันได้ปฏิบัติเต็มที่เลยคควรจะพูดอย่างนี้แล้วได้หรือไม่ได้อันนี้มันเป็นความไม่เที่ยงอยู่แล้วคะอาจจะได้อาจจะไม่ได้อะไรปัจจัยมันก็แตกต่างกันไปแต่ละวันนะเรื่องของสบายะต่างๆก็เกี่ยวข้องด้วยเพรา ะ, ะ, ะนั้นเวลาที่เราจะจะสื่อสารให้ถูกเนี่ยก็ต้องสื่อสารให้ถูกตามระบบเรียสัตว์ีว่าอะไรควรทําไห้มาก อ, อะไรควรทํำให้มากนะี่คือเรื่องของมรดศีล ส, สมาธิปัญญาค่ะนั่นแสดงว่า ท่านเองฟังอย่างนี้มาบ่อยๆเอ๊ะชักต้องเตือนแล้วใช่ไหมคะอ๋อใช่ <laughs> จะได้ยินแต่ว่าโอ้ยนั่งแล้วมีความสุขเอ๊ะทำไมท่านข้าไม่เห็นมีความสุขเลยครั้งนี้อย่างนั้นหรือเปล่าฟังแล้วมัน <laughs> เคืองนิดหนึ่งออกมาเกิดเคืองนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนยี่น้าค่ะอืร้อยทั้งร้อยเลยไหมคะที่กล่าวในธรรนองเดียวกันนี้ก็ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมาเตือนกันเพราะอันนี้เป็นกันเทศกันแรกในะคุณโยมติว๋วเหนอยวปะกันเทศกันแรกที่พระพุทาอธิบายว่าไม่ใช่สองทางนี้นะคือแยกแยะปาดให้้ออกใหหเ็นน่ะ ว่าไอ้มาร์กนะมาร์กต้องทําบ่อยๆแต่ทุกนะคือเวทนาเนี่ยให้ทําความเข้าใจค่นะเพราะฉะนั้นเราเรานั่งความสุขมีความสุขอย่างไนเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ฉันฉันเข้าใจความฉันเข้าใจอ่ะคือคือเราต้องเห็นน่ะนะ <S <S นั่งสมาธิว่าเห็นเนี่ยแต่สุดตรงข้างหนึ่งก็คือเห็นนรกสวรรค์เห็นอะไรที่แบบว่า<ๆ>อาจจะไม่ใช่ทางอาจจะไม่ได้เป็นความเพื่อความไหนความความไายกําหนัดอะไรอย่างนั้นอันนั้นก็ก็ไม่ใช่เน้นเป็นทางตันหรือไอ้ทางหนึ่งก็คุณไม่เห็นอะไรเลยนั่งเป็นสมาธิหัวต่อก็ไม่ใช่ แต่ว่านั่งสมาธิเนี่ยทําจิตให้สงบเยเพื่อต้องเห็นเห็นความจริงของอะไรเห็นความจริงของความสุขที่เกิดขึ้นว่าอะไรว่ามันไม่เที่ยงน่ะเห็นความจริงของความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าอะไรว่ามันก็ไม่เที่ยงนะเห็นความจริงตรงนี้อันนี้คือที่เราต้องเห็นจากไหนจากการที่เราทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวมันอาจจะเกิดความสุขขึ้นนะแต่เห็นความสุขนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นความสุขโดยความเป็นทุกข์ เออ<ช>เห็นสุขเบทนานั้นโดยมีทุกขลักษณะจะจะเติมแอคตีให้มันครบค่ะอืมก็เท่ากับว่าท่านเตือนหมดเลยทั้งสองขาอ่าว่าจะกล่าวว่าโอ้ยนั่งสมาธิแล้วมีความสุขจังอ่าหรือว่าไม่มีความสุขเลยเพราะว่าไม่เกิดสมาธิเลยเตือนทั้งคู่เลยใช่นะคะที่สะท้อนความรู้สึกจากสมาธิออกมาในลักษณะเช่นนี้ว่าไม่ถูกนะ สุขกับทุกนั้นเป็นเวทนาเวทนานั้นเป็นหนึ่งในขันห้าขันห้าคือทุกขนะค ะ, อ, ะอันนี้ต้องต้องฟังเป็นระบบเพราะว่าก็เป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรเนี่ยหมายไหมเป็นเป็นเรื่องที่เป็นความเข้าใจที่ต้องทำตามระบบถึงจะเข้าใจได้ยากง่ายมันก็มัน ก, มนก็มืนอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าทาความเข้าใจตามระบบแล้วจะเข้าใจได้ ค, คือขอพายดีฉันพูด อ, อย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเปรียบเทียบกับเรื่องทางโลกเนี่ย <Okay. S 1> กรากรประสขเนี่ยอืเราจะมีความรู้สึกว่าขัดขา ด, ด, ดกันอยู่ในทีถูกไหมคะโอเคนะคะเท่ากับว่าถ้าเรารู้คําสอนของพระศ า, าสดาเนี่ยจะทําให้เราสามารถเข้าใจตามระบบถูกต้องโอเคตามระบบนะคะแล้วท่านไปบูลกําลังจะมาอ่าตบๆๆให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าอยู่ในระบบ ยาวด้วยอืว่าสุขก็คือให้รู้ถูกไหมคะถ้า่างนั้นให้เห็นรู้ตามที่เป็นจริงใช่ไม่มีสมาธิก็ให้รู้ตามที่เป็นจริงนะคะเป็นยังไงก็ให้รู้อยู่อย่างะเดี๋ยวนรู้ของกุโยมติ๋วเนี่ยนะไม่ใช่ว่ารู้แบบคือคือรู้แบบต้องเป็นญาณนะญาณคือความรู้ไม่ใช่รู้แบบแบบสัมปชัญญะหรือรู้แบบสตินะอมีรู้แบบญาณแล้วรู้แบบหย่อนด้วยไหมคะท่านคะรู้แบบไม่ไม่ใช่รู้แบบรู้แบบความรู้หรือว่ารู้แบบสัญญาไม่ใช่ ค่ะไม่ใช่แบบรู้ที่ใครอ่านหนังสือก็รู้ได้อ่าไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่รู้ด้วยปัญญาชัดเจนรู้ด้วยปัญญา <C> รู้ด้วยปัญญาชัดเจนตัวนี้สัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือความรู้ยิ่งภาษาบาลีว่าญาณรู้ด้วยปัญญาชัดเจนเรียกว่าญาณญาณเดียวหญิงสนา น, นนูเนี่แหละค่ะญ <C> าณคือคือความรู้แบบแบบด้วยปัญญาไม่ใช่ความรู้แบบความจําในสมองเนี่ยมันจะต่างกันค่ะอืก็ <C rio> คือรู้จากการปฏิบัติ จนเกิดผลจากการปฏิบัติตเป็นตัวอย่างใช่ถูกต้องนะคะเป็นความรู้นี้เกิดขึ้นมาความรู้ตรงนี้แหละที่เราต้องทำให้เห็นค่ะเนะจะเห็นก็ต้องใช้ตาเนี่ยคือธรรมจักสุค่ะงั้นสมมติว่าเราจะปฏิบัติกันในครั้งล่าสุดที่จะมาถึงนี้เลยพอเกิดความรู้สึกที่มันสบายที่ท่านว่านะคะ เป็นความรู้สึกที่เบาเป็นความรู้สึกที่สงบระงับโอเคอแล้วก็ต้องระวังนะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นปุ๊บเนี่ยก็อย่าไปโอ้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอาจารย์พูดอย่างนี้เราเดี๋ยวเราไม่เอาไม่เอาก็ต้องบอกว่าคนที่มีความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมเนี่ยก็ให้สามารถเสพความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมนี้ได้และนะคือคือสุดตรงอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือการทำทุกกระกิริย า, หมา ย, ามหมายความว่าไงหมายความว่า ปฏิเสธความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมอันนี้ก็ไม่ถูกต้องอีกทําไมเพราะาสมมุติว่าคุณร่ํารวยมีเงินทองอันนี้เรากลับไปเรื่องทั่วตัวไปถ้าคุณมีร่ํารวยเงินทองคุณขยันทํามากินคุณมีเงินทองขึ้นมาเนี่ยโอ้แต่ความคําสอนพระพุทธาบอกให้อยู่พอเพียงโอ้เงินจะไม่เอาอันนี้เข้าใจผิดเพราะว่าถ้ามีความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมคุณก็เสพความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมนั้นได้ <Okay. S 1> ไม่ปฏิเสธความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมนั้น <dle S 2> โอเคนะความสุขนี้มันจะมาในรูปแบบของความสุขทางตาท้งหูหรือความสุขทางใจก็ตามธรรมะ <ạ. S 2> ในที่นี้คืออะไรคือสิ่งที่เป็นกุศลและมที่เกิดขึ้นที่ไหนในใจของเราเป็นความสุขนะแต่แล้วก็พอเสพแล้วเนี่ยให้เห็นโทษในความสุขนี่เป็นที่ทํากันนะอย่าเพลินอย่าหลงอย่าพร่ําบนพูดถึงแต่ให้เห็นโทษในความสุขนั้นเสพตามทําได้โอเคอันนี้ ก็มีได้ดีดีไม่มีปัญหาค่ะนะคะก็ทําตามที่ท่านเพรบูลพูดว่าสุขได้สุขได้ใช่แต่ไม่เพลินไม่หลงปัญหาคืออย่าเพลินอย่าหลงนะไม่เปละล่าละลักโอ้เป็นปฏิบัติข้าวไม่สุขละเกินเออย่ามาบ่นอย่ามาพูดถึงค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ต้องเลยนะคะบางคนอยากจะชวนเพื่อนไปค่ะทานคะ ก็ต้องบอก<า>เขาซะหน่อยว่ามันดีอย่างนี้หอ้ฉันมีความสุขมากเลยไม่เคยมีความสงบระงับสบายเบาเบ่เท่ากับมาปฏิบัติอีกแล้วคือ <c oughs> ถ้าเราจะชวนเขามาปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้ว <c oughs> แต่พระพุาธเจบอกว่าถ้าเธอหวังดีกับใครหรือว่าใครที่เธอพูดแล้วเขาจะฟังเธอเนี่ยควรจะชักชวนให้เขามารู้ในเรื่องของความจริงอันบริสุทธิ์เรื่องความทุกข์ว่าหาความสุขเนี่ยเป็นความทุกข์ เวลาที่แทนที่จะไปบอกเขาว่าโอ้ยเธอสุขๆๆไม่ใช่เราควรจะไปบอกเขาว่าเธอเธอเธอมาเข้าใจสิว่าสุขเป็นทุกข์นะเออฟังนี้เขาทากว่าเรามาว่าอ่ <laughs> ค่ะท่านฟังค่ะท่านไปบูรหาทางออกให้ด้วยนะคะท่านกําลังอาจจะคิดอยู่ในใจเอาแล้วจะให้ชวนเพื่อนอยังไงไม่บอกเขาว่าดีเขาจะไปหร อ, อใช่ไหมคะก็ดีกว่าดีอีกความสุขที่เป็นความทุกข์อ่ะเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่า <laughs> <laughs> แต่ถ้าไปปฏิบัติเราจะเห็นอย่างเงี้ยก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่ผิด เป็นไปตามตามใช่เป็นไปตามธรรมคือคือถ้าเจะบอกแต่สุขสุขสุอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นคําว่าเออเขาเรียกว่าอะไรแบบพูดเกินจริงอ่อพูดเกินจริงโฆษณาเกินจริงเป็นโฆษณาชวนเชื่อไปอืมแต่ถ้าเจะบอกว่าให้ความสุขในคุณจะเห็นความทุกข์ในนั้นเออนี่ฟังเขาท่าออกมาว่าอันเนี้ยทิฉันที่ฉันคิดตามที่ท่านได้บอกว่าทําไมเราถึงจะต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าท่าทีของเราเนี่ย กับการ ป, ปฏิบัติสมาธิควรจะเป็นเช่นไรจึงจะเกื้อกูลต่อการเจริญงอกงามต่อไปของการปฏิบัติถูกไหมคะใช่มันจะได้ผลตรงนั้นด้วยแต่ถ้ า, ถาหากว่าเราไปขัไปยอมที่จะเอาเฮอก็ฉันรู้สึกอย่างนี้ก็สุกอะ่ะก็จะใช้ทำยังไงอ่า อ, อันเนี้ยอาจจะเป็นตัวขวางกั้นในการที่จะเจริญงอกงามในธรรมเพราะว่าเราไม่อยู่กับความจริง ถูกต้องถูกต้องมันก็จะเพลินไปตรงนั้นได้อันนี้ก็ต้องะระวังแต่แต่ถึงอย่างไ น, นอย่างไรก็ตามเนี่ยเอ่อก็ต้องบอกว่าความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยมันก็ดีนีคือมันมีดีมากกว่ามีเสียค่ะอ่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูอันนั้นมันจะเสียมากกว่าดีค่ะนีอืมดิฉันเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาก็เป็นนักการเหมืองนะคะออืแล้วก็ฝักใฝ่ทำคือแทนที่จะไปจัดกิจกรรม อย่างอื่นให้กับให้กับฐานคะแนนเพราะอย่างนั้นเถอะประชาชนเนี่ยอย่างเดียวเขาก็แต่ละปีจะจัดคอสปฏิบัติธรรมด้ว ย, ยาจัดปคือเพิ่งมารู้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเห็นตามที่เป็นจริงเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะโอ้โห oh เขามาสอนในชั้นอีกเขาบอกว่าพี่ติ๋วคะหนูจะบอกนะว่า พี่จะต้องเห็นตามที่เป็นจริง น, นุ่นี่เมื่อก่อนเนี่ยเคยอึดอัดว่าทําไมครั้งนี้ได้ครั้งนี้ไม่ได้ก็พูดอย่างเงี้ยนะอ่านี่คือคือเขาถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจะพูดยูเรก า, รแบบาเลยแบบฮาร์เรรูยาขึ้นมาเลยล่ะเราพบแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่เราพบแล้วเนี่ยค่ะเรียกว่าวันนี้เป็นความรู้ที่สําคัญยิ่งอันนี้คือคื อ, ค, อคือความคมของพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่แตกต่างจากคําสอนอนื่นอื่นน่ะค่ะอืมที่ว่าที่ว่าให้มีปัญญาตรงนี้ให้ได้ นะคะทีนี้ที่ท่านบอกว่าให้เห็นตามที่เป็นจริงให้เห็นธรรมถูกไหมคะใช่เห็นธรรมเห็นว่าความสุขนี้ก็ไม่เที่ยงถูกต้องเพราะว่าเพราะว่ายัางไงคะในสมาธิเนี่ยเราจะสบายไม่ไม่ไม่สบายค้างวันค้างคืนใช่ไหมมีไม่แค่สบายค้างวันค้างคืนก็อยู่ ท, ที่กำลั ง, งขอ ง, งของที่เขาทำได้อาจจะเป็นวันเป็นคืนแต่ว่ามันก็จะต้องมีเสื่อมหละนะคะ ยังไรก็ต้องเสริมใช่ไหมคะคือคือถ้าเราจะพูดถึงเวทนาในเะวทนาที่เป็นความทุกข์เนี่ยเอาเปรเียบเทียบกับศีลสมาธิปัญญาถ้าดูสภาพของมันเนี่ยมันไม่ต่างกันนะคุณโยมติวศีลสมาธิปัญญาเทีย่ยงไม่เทีย่ยงคุณโยมติวศีลสมาไม่เที่ยงคะั้ค่ะโอเคเพราะเมื่อก่อนบางทีเราอาจจะไม่ได้มีศมีลแต่ตอนนี้เรามีศีลเมื่อก่อนเราไม่ได้มีสมาธญญาิแต่ตอนนี้เรามีสมาธิแฮแสดงว่าศีลสมาธิหรือแม้แต่ปัญญาก็ตามไม่เที่ยงนะแล้วมันไปนต่างอะไรกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค ไม่ต่างนะมีธรรมชาติเหมือนกัน <Okay. S 1> แต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าเวทนาคือขันห้าเนี่ยเ อ, เอาเวทนาเป็นตัวแทนเนี่ย <Okay. S 1> มันจะทําให้อา่ามันอาจจะไปทั่วทุกที่ ท, ท, ทุกทางเรากําหนัดก็ได้เราเพลินก็ได้เรามันมั น, ม, นมันจมอยู่ได้แต่ในขณะที่ถ้าเราเอาปาดเอาส่วนที่เป็นศีลสมาธิปัญญาเอาสมมุติเอาธรรมชาติที่มีความไม่เที่ยงมารวมกันมาเเป็นก้อนหนึ่งมารวมกันเป็นก้อนหนึ่งนะโอ้เยอะแยะไปหมด อีลงตรงนั่งแยกไปหมดถ้าเราเอาเฉพาะส่วนที่มันจะพาเราให้ออกจากความทุกนี้ได้เนี่ยปาดเอาส่วนนี้ออกมาแยกออกมาเป็นกองที่สนี่คือประเด็นเอากองที่1เนี่ยเอาทุกอย่างที่ไม่เที่ยงเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งกองปาดเฉพาะส่วนที่จะทาให้เราเห็นความจริงได้เนี่ยมาไว้เป็นกองที่สี่พระพุทธเจ้าแยกตรงนี้ออกมาเรียกว่ามัคคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนการท่านแหละมีความไม่เที่ยงก็เหมือนการท่านแหละคุณยึดติดได้ แต่มันทําให้คุณคลายความยึดติดก็ได้มันจะแตกต่างกับไปพวกอย่างอื่นๆตรงนี้ค่ะท่านคะดิฉันอาจจะยังวนเวียนอยู่ที่เดิมนะคะแต่จะถามอีกมุมหนึ่งนะท่านคะคือเหมือนกับว่าบางคนเข้าใจละมีสุขไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ให้เข้าใจว่าออย่าไปบอกว่าสุขอย่างโ น, น้นสุขอย่างนี้เพราะว่าสุขเนี่ยจางได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เทีย่ยงไม่แน่นอนแต่บางคนบอกว่าก็อยากเจอบ้างนะสุขเนี่ยเราจะไม่พูดเลย ว่าสุขแต่ที่ทํำทำมาเนี่ยเข้าใจว่าไม่เคยเจอเลยในส่วนที่เป็นส ง, งบสบายเบาเป็นไปได้ไหมคะทํำท ำ, ทำปฏิบัติทำมาแล้วไม่เจอมุมที่จะทําให้มาคุยกับใครได้เลยเออาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอย่างกรณีคนที่มีราคาโทสะโมหะกล้าค่ะเนะพอมีราคาโทสะโมหะกล้าแล้วเนี่ยวิธีการที่เขาจะทำจิตให้ส ง, งบเนี่ยก็อาจจะทําไม่ได้การทำให้เป็นสมาธิเนี่ยมันจะไม่ได้เลย พราะงั้นกระบวนการที่จะทําให้จิตเขารวมลงเป็นอารมณ์เดียวได้เนี่ยกระบวนการตรงนี้คือจะต้องเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นความเป็นปฏิกูลเห็นความเป็นของน่าเกลียดนอสุภะอะไรต่างๆแต่ซึ่งเห็นในพวกนี้มันไม่ได้สุขแน่เห็นได้ของน่าเกลียดใช่ปะพอเห็นของน่าเกลียดบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บมันจะวางได้ไอ้ตรงจุดที่วางได้ตรงเนี้ยนะจิตเขาจะวางก็อาจจะได้แป๊บเดียวไม่ได้นานอะไรอาจจะได้ไม่มากอาจจะได้นิดนึงก็อาจจะมีมีบ้างแต่ก็จะไม่มากแต่ถามว่าเขาจะบรรลุได้ไหมได้ กระบวนการตรงนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาคือกระบวนการในการปฏิบัติที่ให้เห็นความทุกข์คือคมีความไม่เที่ยงมีความเป็นของปฏิกูลมีความเป็นของน่าเกลียดเป็นต้นค่ะอันนี้สําหรับใครสําหรับคนที่มีราคะโทสะโมหะมากกล้าเนี่ยคือหมายความว่าจะถูกเบิดเบียนด้วยจิตใจมันจะจี้ขึ้นจี๊ดลงคิดเยอะคิดมากอนี้เป็นประเภทนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นคนประเภทราคะโทสะโมหะกล้า เรารู้ตัวเราเองหรือว่าบางทีไม่รู้ตัวหรอกแต่เกิดจากการที่ไปทําสมาธินี่แหละแล้วเอ๊ะทำไมเราไม่มีความสุขอย่างคนอื่นเขาเลยออืก็มาทบทวนดูว่าเอ๊ะหรือเราจะเป็นคนที่มีราคะโทสะโมหกล้าตัดสินตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วก็ไปใช้วิธีทุกขาปฏิปทาใช่ไหมคะใช่ใช่ใชทุกขาปฏิปทาก็เช่นไปเห็นปฏิกูลใช่เห็นอาหารเป็นของปฏิกูล เห็นความไม่เที่ยงในโลกทั้งปวงค่ะเห็นความเป็นของน่าเกลียดอสุภาษะพวกนี้ค่ะอันนี้จะช่วยคือหมานว่ามันจะตรงกันกับสภาวะจิตของเราที่จะทำให้ไร่ทำให้จิตของเราเนี่ยวางได้ของงั้นพวกนี้ต้องดูข่าวเยอะๆสิคะถ้าดูข่าวเนี่ยเราจะเห็นความไม่เที่ยงมากมายเหลือเกินนะคะเดี๋ยวก็แผ่นดินไหวเดี๋ยก็ภูเขาไฟระเบิดเดี๋ยวก็ปุบปับตต์ตายเดี๋ยวก็สูงลงต่ําดูข่าวอย่างงั้นก็ดีนะถ้าดูข่าวดาราจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะ แต่หมายความว่าต้องรู้ล่ะไม่ใช่ให้ดูเพื่อที่จะรู้ว่าความเป็นไปของโลกเป็นอย่างไรใช่แต่ให้รู้จักความเป็นไปนั้นว่าเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่างนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆให้มากๆพอพอเห็นอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งคือคนคนที่เขาพอทำความทุกข์พอเห็นความทุกข์ททุกข์ปฏิปตาแล้วเนี่ยพอจิตมันวางลงเย็นลง เนี่พอมันเย็นลงวางลงแล้วมันมีความสุขขึ้นปุ๊บตรงนี้อาจจะไปติดความสุขนั้นตัวนี้ก็ต้องระวังอีกว่าอย่าไปติดตรงนั้นอืมงั้นดิฉันเคยเจอบางท่านเป็นผู้ใหญ่ละเป็นบุคคลในระดับสูงท่านก็ยังดูงดงามอยู่ในตอนอายุมากยังก็ถามท่านว่าเอ๊ะทำไมท่านอายุขนาดนี้ยังดูสวยอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ดิฉันวางหมดละ ไม่โกรธไม่เกลียดใครอะไรเนี่ยเรื่องเดียวกันใช่ไหมะคะมเป็นทุกขาปฏิปทามไหมคะเป็นพวกราคะโทสะโมหะกล้าเาแล้วพอวางไปก็เลยดีขึ้น อ, อ๋อคือคนที่พ อ, อใจเนี่ยไม่ได้ถูกกลุ่มรุมนะด้วยราคะโทสะโมหนะนี่ยคือใจได้รับการฝึกแล้วเนี่ยกายมันก็เกี่ยวข้องกันด้วยแนะกายก็คือได้รับการอบรมด้วยคนะพอกายได้รับการอบรมมันไอ้เรื่องที่แขนขามันจะงอหรือว่าหน้ามันจะบูดบี้มันก็จะค่อยคลายไปได้ นี่คือตามตามว้ด้วยนะค่ะท่านคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติอีกประเด็นหนึ่งก่อนที่จะจบรายการนะคะเรียนาคือมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็เป็นประธานในการประชุมท่านเนี่ยเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นนักปฏิบัติและท่านก็บอกว่าท่านจะยืนประชุ ม, มเพราะว่าท่านได้ทราบจากสานักที่ท่านไปปฏิบัตินะคะว่าการทาสมาธิที่นั่งเนี่ยไม่ถูกเราต้องยืน ดิฉันอยากจะกราบเรียนถามว่าในการทำสมาธิแบบยืนเนี่ยค่ะรพระพุทธองค์สอนไว้อย่างไรและก็มีหรือไม่ค่ะในเรื่องของอิริยาบถการที่จะทำให้มีสมาธิเกิดขึ้นได้เนี่ยพระบรุทชาจาก็ไล่มาตั้งแต่เดินก่อนเดินในขณะที่เดินอยู่ถ้าบอกว่าใจมีสติสัมปชัญญะไม่โกรนกระวายจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียว อันนี้คือคุณก็ที่เดินนั้ น, นก็เป็นที่เดินที่เป็นทิพย์เดินเสร็จแล้วก็ยืนนยืนเสร็จแล้วก็นั่งนั่งเสร็จแล้วก็นอนในด้วย4ี่อริยบทนี้ด้วยบทเป็นยันชนะนี้เลยแต่ว่าถ้าบอกว่าในขณะที่คุณเดินยืนนั่งนอนอยู่เนี่ยถ้าบอกว่าจิตใจเราไม่โกรนกระวายจิตตั้งมันเป็นอารมณ์มันเดียวะไม่มีบาปอากุศลธรรมต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยที่เดินที่ยืนที่นั่งที่นอนนั้นก็ถือว่าเป็นทิพย์ คือว่าทําได้สิทําได้ด้วยอิริบทใดๆก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าดีกว่าการนั่งงนั้นใช่ไหมคะอันไหนดีกว่าอันไหนเนี่ยอันนี้คงจะต้องแล้วแต่ละบุคคลด้วยค่ะแล้วแต่ละบุคคลด้วยเพราะว่าบางคนก็ถนัดในเรื่องของการเดินแต่บางคนก็จะนั่งแล้วมันก็จะเป็นอย่างอื่นก็เออก็เดินก็ได้อย่างเงี้ยนะค่ะเพราะว่าดีฉันฟังนี้ก็งงๆนะคะคือเหมือนกับว่าไอ้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาอีกทีเนี่ยเหมือนกับว่า ได้รับความรู้ใหม่มาว่าที่นั่งนั่งมาแต่เดิมเนี่ยไม่ใช่การทำสมาธิที่ดีต้องยืนถึงจะดีอืออย่างพระพุทธเจ้าก็นั่งน ะ, ะนั่งท่านพระสารีบุตรก็นั่งนั่งลืมตาด้วยพัดอยู่ด้วยก็บรรลุได้ท่านพระมหมาโมคละณะก็นั่งท่านพระอนุนี่อยู่ระหว่างนั่งกับนอนใช่หมหลายๆท่านท่านอื่นก็เดินก็มี ก็หลอริยบทนะที่ีว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ท่าทางหรือว่าอิริยาบทถูกไหมคะอืมไม่ไม่แต่ว่าอยู่ที่คุณภาพของสมาธิใช่เป็นเรื่องของจิตโดยตรงเลยค่ะเป็นเรื่องของจิตโดยตรงเพราะฉะนั้นถามว่าในท่าทางแบบไหนก็อาจาก็อยากจะให้มองว่าเราเอาทุกท่าเลยเอาทุกท่าเพราะว่าถ้าเราจะคิดว่าเราเฉพาะนั่งหรือเอาจะพยืนนั่นเราก็จะขาดโอกาสในท่าอื่นๆไป แล้วก็ะจะต้องคือทำจิตให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดนี่จะเหมาะสมค่ะอือันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องควบคุมจิตปฏิบัติทางจิตถูกต้องถูกต้องมากกว่าอืมนะคะวันนี้ก็เลยได้ได้แง่มุมเกี่ยวกับการปฏิบัติที่น่าจะทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นหรือว่าเกิดความรู้สึกว่าการปฏิบัติที่เคยวันไห ว, ไวเอ๊ะมันศูนย์เปล่าเสียเปล่าหรือเปล่า นะไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือไม่เนี่ยถ้าเรารู้วิธีที่ถูกต้องก็จะทำให้เราไม่เคลือบแคลงสงสัยแล้วก็จะได้ทําให้มากเพราะเราไม่เคลือบแคลงสงสัยซะแล้วใช่ไหมคะบางคนพอรู้สึกว่าเอ๊ะปฏิบัติครั้งต่อต่อไปมันไม่สุกเหมือนเมื่อก่อนอเลยทําไม่ได้แล้วเลิกดีกว่าตรงตัวนี้คือให้มีความมั่นใจเถอะ ให้มี <espero S 2> ค, ความมั่นใจในกระบวนการความที่ไม่เคลือบแคลงสงสั ย, ยที่คุณ ย, ยมติ ว, ว่าเนี่ยสิ่งที่ตรงข้ามกับความเคลือบแคลงสงสัยคือความมั่นใจแต่ความมั่นใจพูดง่ายๆก็คือศรัทธานั่นเองศร <Twelve> ัทธาคือความมั่นใจมั่นใจในอะไรมั่นใจในกระบวนการกระบวนการในที่นี้พูดถึงอะไรศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาคุณทําไปเถอะทาไปเถอะเดี๋ยวยังไงมันต้องได้แน่อาจะสุขบ้างอาจจะทุกบ้างอันนี้มันตามกระบวนการผลมันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ขอให้ทํา ทำน้อยก็ทําขี้เกียจก็ทํากระยังก็ทำแบบเขาให้ทํำแต่แบางทีมันก็จะมีเครื่องมาทดสอบอันนี้ก็ธรรมดานะสําหรับคนที่ทําได้ผลบ้างบางครั้งบางคราวทําได้ผลบ้างแล้วมันก็จะมีเครื่องเตือนเครื่องทดสอบนะให้เราทดสอบด้วยเองที่คุณทําได้มาเนี่ยมันจริงเปล่าแล้วมันก็จะมีการมาทดสอบเราอันนี้ธรรมดาเกิดขึ้นได้นะคะก็เป็นอีกวันที่มีคุณค่ามากนะคะสําหรับการที่อธิบายขยายความ สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้โดยพระมหาภัยบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีนวันส ก, การขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเจ้าบบานท่านฝั่งที่ครบรอบคะและนี่คือรายการสันสนีสนทนานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ดิฉันสันส น, นาคพงก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นถ้าต้องการที่จะมีความงอกงาม มากขึ้นในธรรมะของพระพุทธองค์โดยเฉพาะการปฏิบัตินะคะก็เดินหน้าปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างเข้าใจส่วนยังเหลืออะไรที่จะเป็นความรู้ต่อไปศึกษากันไปเรื่อยๆรายการนี้ก็จะให้ท่านอีกทางหนึ่งด้วยนะคะติดตามรับฟังรายการได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุสอทอทอฟ์เร FM 6, รายการสัญชนีสนทนาดิฉันสัญีนาคพง์วันนี้ลาไปก่อนนะคะพุทธสวัสดีคะ่ะ